บทที่9ก้าสิบแม่นาคพระขนงพระสงฆ์ก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์จบลงก็ได้เวลาถวายพระทหารเพน บรรดาแม่ครัวช่วยกันลำเลียงอาหารหวานคาวออกมาวางตรงเบื้องหน้าพระภิกษุสงฆ์จากนั้นนายผ่องจึงเชิญชวนญาติโยมกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธและถวายสังฆทานตามลําดับกล่าวเสร็จพวกผู้ชายช่วยกันประเค้นอาหารหวานคาวเหล่านั้นแล้วนั่งคอยรับใช้อยู่ห่างๆสมณะทั้ง9้ารูปกล่าวคำพิจารณาบิณฑบาต ก่อนลงมือฉันเจ้าคุณขาเสมติดใจรสชาติของปลากุ้งซะจนลืมกำหนดรสหนอและดูเหมือนจะฉันได้มากกว่าอาหารจานอื่นๆส่วนเจ้าคุณโชดกไม่ได้โปรดอะไรเป็นพิเศษเมื่อพระสงฆ์ชันพัฒหารเสร็จและยะถาสัพพีตามธรรมเนียมแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีนายผ่องเรียนถามว่า ท่านเจ้าคุณจะรีบกลับหรือเปล่าครับหากไม่รีบกลับผมขอนิมนต์อยู่สนทนากันอีกสักพักค่อยกลับเจ้าคุณโชดกจึงถามเจ้าคุณขาเซมว่าเจ้าคุณมีธุระด่วนรออยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีก็อยู่ฉลองศรัทธาโยมเขาสักอีกพักไม่มีหรอกครับนิมนต์ตามสบายเจ้าคุณคาเซมตอบพระอุดมวิชาญาณ จึงถามพระภิกษุอีกเจ็ดรูปว่ารูปอื่นๆมีใครจะรีบกลับไหมไม่มีครับผมอยากฟังเรื่องของสมเด็จต่อผู้ตอบคือมหาหนูพระเจริญละ่ะท่านถามรูปที่นั่งท้ายสุดไม่มีครับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระนมตอบอันที่จริงท่านอยากฟังเรื่องของสมเด็จต่อเช่นเดียวกับพระมหาหนู ดังนั้นเจ้าคุณอาจารย์จึงบอกในพ่องว่าตามสบายโยมว่าแต่โยมไม่รับอาหารก่อนหรือประเดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งไปจะมาโทษอาตมาไม่ได้นะเจ้าคุณวัยสี่สิเป็นห่วงสุขภาพโยมวัย8ปสผมยังไม่หิวหรอกครับปกติผมรับข้าวเที่ยงตอนบ่ายสองยังอยากเล่าเรื่องสมเด็จอีกพ่อผมเล่าให้ลูกๆฟังทุกคน แต่พวกพี่ๆก็ล้มหายตายจากไปหมดเกรงว่าถ้าหากผมตายไปอีกคนจะไม่มีใครรู้เรื่องเหล่านี้สมเด็จท่านเล่าอะไรๆให้พ่อผมฟังหลายเรื่องพ่อก็มาเล่าให้พวกผมบุรุษวัยเจ็ดรอบเจตนาว่าอยากเล่าเจ้าคุณโชดกจึงฉลองศรัทธาด้วยการบอกเขาว่างั้นก็ ขอเรื่องที่โยมคิดว่ายังไม่เคยมีคนอื่นรู้ก็แล้วกันไหนโยมลองเล่ามาซิมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องสมเด็จท่านสอนกรรมาฐานให้แม่นาคท่านเจ้าคุณเคยฟังหรือยังครับคนอยากเล่าถามแม่นาคไหนหวาง้อคงไม่ใช่แม่นาคพระขนงนะใช่ครับแม่นาคพระขนงที่อยู่วัดมหาบุตรนั่นล่ะครับ อ่ะงั้นเล่าไปเลยอาตมาก็ไม่เคยได้ยิน้วยฟังมาก่อนสมเด็จท่านไปสอนกรรมฐานให้แมนาคตอนไหนตอนท่านอยู่วัดะระกัางนั่นแหละครับตอนนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสใหม่ๆแล้วก็เป็นเจ้าคุณธรรมกิตติยังไม่ได้เป็นสมเด็จถ้าเล่าให้พ่อผมฟังอย่างละเอียดท่านบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ความจริงคิดว่าแมนาคเป็นผีดุ ความจริงแล้วไม่นาคไม่ใช่ผีดุแต่คนไปทําให้แกดุหมายความว่ายังไงจะคุณเกษมถามเพราะได้ยินเล่าลือกันว่าผีแม่นาคนั้นดุร้ายเที่ยวอารวาสชาวบ้านร้านถิ่นจนคนกลัวกันไปทั่วทั้งเมืองหมายความว่าตอนแกตายใหม่ๆแกไม่เคยหลอกใครแต่คนเดินผ่านไปผ่านมา มักหลอกกันเองหลอกว่าผีว้อยผีแม่นากมาว้อยแล้วก็พากันวิ่งแม่นากแกรำคาญที่คนเอาแกมาล้อ ก, กันเล่นก็เลยลุกขึ้นมาหลอกซะจริงๆสมเด็จท่านทราบยังไงพระอุดมวิชาญาณถามท่านบอกพ่อผมว่าแม่นากมาเล่าถวายครับทีนี้พอ แม่นาคอารวาสหนักเข้าคนก็หาหมอผีมาปราบแต่กี่หมอกี่หมอก็ปราบไม่อยู่แถมบางคนถูกแม่นาคปราบซะอีกคนก็ขวัญหนีดีฟอไม่เป็นอันทำมาหากินนิมน์พระวัดไหนไปปราบก็ไม่สำเร็จในที่สุดจึงมีคนมานิมนท์ท่านไปปราบแล้วท่านไปไหมมหาหนูซักท่านไม่ไปหรอกครับ ท่านรับปากพวกเขาว่าจะปราบให้แต่ท่านไม่ต้องไปวัดมหาบุตรท่านบอกพอตกกลางคืนท่านก็นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาไปเรียกแม่นาคคาถาที่ท่านใช้เรียกแม่นากก็คือเมตตาคุณนางอรหังเมตตาบทนี้ครั้งมากพ่อผมยังนําไปใช้เป็นคาถากันผีได้ทําให้คนรักก็ได้ พอท่านแผ่เมตตาไปผีแม่นากก็มาหาท่านเป็นผู้หญิงรูปร่างสวยผมยาวท่านก็ต่อว่าแม่นากไปก่อกรรมทำเข็นและถามว่าทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นแม่นากก็กราบเรียนให้ทราบว่าแรกๆ แ, แกก็ไม่ได้เป็นผีดุแต่คนมาหลอกกัน บ, บ่อยๆโดยเอาชื่อแกไปอ้างแกก็เลยกโกรธ กยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าผีก็เหมือนกับสุนัขที่สุนัขดุ ก, ก็เพราะคนชอบไปรังแกไปแกล้งไปแย่มันก็เลยทำให้มันนิสัยเสียจากไม่ดุ ก, ก่กลายเป็นสุนัขดุจากไม่เคยกัดใครก็เป็นกัดไม่เลือกหน้าผีก็เหมือนกันไม่ชอบให้ใครมาเอาชื่อไปล้อเล่นก็เลยต้องกลายเป็นผีดุ ฟังในผ่องเล่าพระเจริญรู้สึกนึกถึงคำพูดของโยมยายที่ว่าถ้าผีรักหมาก็รักด้วยผีก็คงจะเหมือนหมาอย่างที่แม่นาคแกกระปรเอียนเจ้าคุณธรรมกิตินั่นกระมังเจ้าคุณธรรมกิติท่านอบรมสั่งสอนแม่นาคแล้วก็ขอบิณฑบาตไม่ให้แม่นาคลอกหลอนใครอีกแม่นากก็ให้สัญญา แล้วก็ขอให้ท่านสอนกรรมาฐานให้เพื่อจะได้ไปเกิดได้พบภูมิที่ดีท่านก็สอนให้ทุกคืนกระทั่งเกิดเรื่องคนเล่าหยุดไปเฉยๆพระเจริญกําลังฟังเพลินก็พูดขึ้นว่ายอมเล่าต่อเธอกําลังสนุกเกิดเรื่องอะไรหรือผมไม่แน่ใจว่าจะเล่าต่อดีหรือไม่เพราะเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามของพระสงฆ์ แต่สมเด็จท่านเล่าให้ผมฟังจริงๆครับพระอุดมวิชาญาณจึงกล่าวอนุญาตว่าเล่าไปเถอะโยมอาตมาทำใจเป็นกลางไม่อคติกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโยมว่าไปตามข้อเท็จจริงที่เด ย, ยินได้ฟังมาก็แล้วกันครับผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้อคติต่อพระสงฆ์องค์เจ้าผมเพียงแต่จะเล่าไปตามข้อเท็จจริง แล้วเขาก็เล่าต่อว่าคือพวกพระเนนกลุ่มหนึ่งมีจิตริศยาเจ้าคุณธรรมกิตติและก็ต้องการให้ท่านศึกโดยหวังจะได้ตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัดระครังมาให้กับพวกของตนจึงถือโอกาสใส่ร้ายป้ายสีท่านพาผู้หญิงเข้ามาไว้ในห้องแล้วก็พากันแอบดูวันหนึ่งก็พร้อมใจกันมาล้อมกุฏิ เพื่อที่จะจับแกให้ได้คาหนังคาเขาเจ้าคุณท่านทราบแต่ท่านไม่ว่ากระไรพระเนรเหล่านั้นก็ได้ใจจึงพากันมายืนอยู่ใต้ถุนและตะโกนขึ้นว่าสมภารประราชิตเจ้าคุณธรรมกิตติจึงบอกแม่นาคให้จัดการแม่นาคก็กราบเรียนว่าดิฉันทําไม่ได้เพราะท่านเจ้าคุณสอนดิฉันให้มีเมตตา ดิฉันก็ตั้งใจแล้วว่าจะเลิกก่อกรรมทำเข็นชุกาคุณธรรมกิตติจึงอธิบายว่าคนพวกนั้นเป็นคนชั่วตั้งใจทำลายพระศาสนาจึงเป็นหน้าที่ของสาธุชนที่ต้องปราบให้ราบคาบแม่นาคจึงเอื้อมมือยาวๆลงไปตรงร่องกระดานไปจับหัวเนรรูปหนึ่งจับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไปจับหัวเนนอีกรูปหนึ่ง ทั้งพระทั้งเนนพากันวิ่งกระเจิงชนกันหัวร่างข้างแตกนับแต่นั้นมาก็ไม่มีผู้ใดกล้ามาลองดีกับท่านอีกลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธเจา้าแต่คนนิยมเรียกทันว่าสมเด็จโตเพราะฉายาเดิมของท่านก็คือโตพรหมรังสี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงเรียกสมเด็จว่าครัวโตและก็ดูเหมือนว่าท่านชอบให้เรียกอย่างนี้เวลาคนไม่รู้จักท่านก็จะแนะนําตัวว่าท่านคือครัวโตท่านไม่ถือตัวเลยครับพ่อผมนิมนต์มาทำบุญหลายครั้งและประทับใจกับภาพที่ท่านกำมือแล้วสอนว่าคนเราก็มีแค่สองกรรมเท่านี้แหละคือกรรมปาก กับกรรมท้องเพราะสองกรรมนี้ทําให้คนทํากรรมดีหรือกรรมชั่วพ่อก็เลยหาช่างมาหล่อรูปท่านไว้บูชาภายหลังคนเคารพนับถือท่านก็นำไปหล่อต่อๆกันไปอีกนายผ่องเล่าความเป็นมาของรูปหล่อโลหะสมเด็จโตในเอเรียบทกรรมมือตั้งขึ้นและโยมรู้เรื่องสมเด็จไหม ที่เขาพากันหาเช่าเขาบอกว่าสมเด็จครั้งท่านเล่าเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าอาตมาอยากรู้เจ้าคุณเกษมถามขึ้นก็ทราบบางเหมือนกันครับท่านเล่าว่าวเวลาบินทบาตคนถวายดอกไม้ถูบเทียนมาท่านก็นำบาบูชาโดยเฉพาะดอกไม้ท่านไม่ทิ้งท่านจะนำไปตากแห้งแล้วโรลเป็นผง เวลาลูกศิษย์ลูกหาสร้างพระก็จะมาขอผมจากสมเด็จมีอยู่รายหนึง่งที่ท่านเล่าให้พ่อผมฟังคือยายแฟงแกใส่บาสมเด็จทุกวันจนรู้จักกันดียายแฟงมีอาชีพขายผักอยู่ในตลาดวันหนึ่งแกก็บ่นให้สมเด็จฟังว่าขายไม่ค่อยดีอยากขอพระสมเด็จสักองค์เพื่อจะขายของดีสมเด็จท่านบอกว่า อยากกลําอยากรวยก็ต้องทำต้องสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่ไปเที่ยวขอคนอื่นคือท่านต้องการสอนยายแฟงให้สร้างความเพียรพยายามด้วยตนเองแต่ยายแฟงไปเข้าใจว่าสมเด็จให้แกไปสร้างพระเองพอขอผมไปจากสมเด็จท่านก็ให้ไปยายแฟงแกก็เอาไปทำโดยใช้ส่วนผสมต่างๆ ตามที่สมเด็จบอกซึ่งผมก็จงไม่ได้ใช่แล้วว่ามีอะไรบ้างแต่ความที่แก่แกก็เลยโครกไม่ละเอียดและก็ปั้นบุดบูดเบียเบ้ยวเบี้ยวพอตากแห้งก็นำมาถวายสมเด็จจำนวนหนึง่งที่เหลือแกก็เก็บไว้บูชาแล้วก็แจกลูกหลานไปบ้างพ้นปรากฏว่าพระบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวของยายแฟงกลับครัง ใครได้ไปบูชาก็ะพากันร่ำรวยทันตาเห็นโดยเฉพาะยายแฟงซึ่งเป็นคนสร้างจากขายของไม่ดีเกาะกลายเป็นขายดิบขายดีต่อมาแกก็เลิกขายเลิกขายผักมาเปิดร้านเสริมสวยร้านเสริมสวยของแกก็คือสำนักนางคณิกาแกก็รวยขึ้นรวยขึ้น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 ขายผักขายแตงอยู่ในตลาดต่อมาก็มาทำร้านเสริมสวยร่ารวยเงินทองกระทั่งสร้างวัดคณิกาผลขึ้นอานิสงส์ที่ยญ่แฟงได้ครั้งนี้คิดเป็นหนึ่งสลึงเฟืองยายแฟงได้ฟังก็คานสมเด็จว่าแกสร้างวัดหมดเงินหมดทองไปหลายร้อยช่างทำไมได้บุญแค่สลึงเฟืองสมเด็จตอบว่า เพราะแกเป็นแม่เล้าเอาเปรียบคนอื่นหากินด้วยเรียวแรงของคนอื่นเมื่อแกเอาเงินนั้นมาทาบุญก็เลยเป็นบุญของคนอื่นส่วนแกก็ได้แค่ในหน้าราคาสลึงเฟืองยายแฟงก็โกรธหน้าเป็นม้าหมากรุกสมเด็จเห็นยายแฟงโกรธก็หัวเราะชอบใจเพราะคุ้นกันมาตั้งแต่แกเป็นแม่ค้าขายผักอยู่ในตลาด ตอนหลังแกก็มาตั้งสำนักนางคณิกาแกมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบรรดานักเที่ยวกลางคืนพ่อเล่าว่าเพื่อนของพ่อหลายคนยังเคยเป็นลูกค้าของแกคนเล่าเล่าพลางหัวเราะ ห, หึ่ถ้าอาตมาเป็นโยมก็คงจะถามว่าพ่อล่ะเคยไปอุดหนุนแกบ้างหรือเปล่าพระที่นั่งถัดจากพระมหาหนูพูดขึ้น พ่อคงไม่กล้าหรอกครับท่านแม่ผมดุยังกับเสือพ่อกลัวแม่ยังกับหนูกลัวแมวในผ่องพูดถึงมารดาปิดาผู้ล่วงลับแต่อีฉันว่าดีนะจ๊ะที่ผัวกลัวเมียน่ะนางโนลอยลูกสะภ้ายของในผ่องพูดขึ้นนางเพิ่งเข้ามาสมทบหลังจากไปดูแล แ, แขเกเรือ ให้รับประทานอาหารกันอย่างทั่วถึงแล้วจเจริญยังไงนะโยมพร ะ, จะเจริญถามในฐานะท่านชื่อจเจริญก็จเจริญรุ่งเรืองซิจะาทำมาค้าขึ้นแล้วก็ไม่ต้องทำบาปด้วยเพราะเมียจะคอยกํากับเช่นห้ามไม่ให้กินเหล้าเมายาห้ามไม่ให้เจ้าชู้ประตูดินผิดลูกผิดเมียเขาถ้าผัวคนไหนไม่กลัวเมียก็จะไม่เชื่อและก็เที่ยวทาบาปทากรรม ก็จะเสียทั้งเวลาทามาหากินเสียทั้งชื่อเสียงวงตระกูลแล้วก็ตายไปต้องตกนรกอีกจริงไหมจ๊ะพ่อไอ้หนูนางหันไปพูดกับนาพึ่งผู้ซึ่งเคยตามรอยบิดาในเรื่องกลัวเมียแกเข้ามาทำไมละ่ะไปดูแขกเหลือไปเรื่องของผู้ชายเขาแกไม่เกี่ยวในพึ่งไล่เมียเพราะรู้สึกอาย ที่คนเป็นเมียพูดสอดขึ้นมาข้าอยากจะฟังบ้างสิขอชั้นฟังด้วยคนนะพ่อนะนางหันไปขออนุญาตพ่อผัวและแต่เองจะตกลงกับไอ้พึ่งมันเถอะเรื่องของผัวเมียข้าไม่เกี่ยวแต่ข้าก็เห็นด้วยกับไอ้พึ่งมันว่าเป็นเรื่องของผู้ชายอีกอย่างก็มีพระมีเจ้าอยู่ด้วย ไม่สมควรที่เองจะเข้ามาร่วมวงฟังนาผ่องบอกลูกสับไพงั้นข้าไปก็ได้นางกราบปลุกปลุกสามครั้งแล้วลุกออกไปด้วยท่าทีที่ไม่ใครจะพอใจนะักเมีย อ, ออกไปแล้วในพึ่งจึงพูดขึ้นว่าผมต้องขอประทานโทษพระกุณเจ้าด้วยที่เมียผมมาทําให้การสนทนาต้องหยุดชะงักลงนางคนนี้มันร้ายกาศ เทาที่ไหนวงแตกที่นั่นถ้าเขานั่งอยู่ตรงนี้โยมจะกล้าพูดอย่างที่ว่าไหมเจ้าคุณเกษมถามอย่างนึกสนุกคงไม่ไม่พูดมั้งครับในเพื่อตอบตะกุกตะกัดแสดงว่าโยมกลัวเมียพระที่นั่งถัดมาจากมหาหนูทายทักก็ไม่กลัวหรอกครับเพียงแต่ไม่กล้าบุตรชายในผ่องตอบ เสียงอ้อมอ้อมแอมแอ ม, แอมเอาล่ะอาตามาคิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วเห็นจะต้องลากลับเสียทีโยมจะได้พักผ่อนท่านเจ้าคุณเราลากลับกันเสียทีดีไหมครับพระอุดมวิชาญาณ บอกเจ้าภาพแล้วก็หันไปชวนเจ้าคุณเกเซมดีเหมือนกันผมชักอยากกลับแล้วท่านรู้สึกอึดอัดในท้องอาจเป็นเพราะฉันมากไปนั่นเองถ้าเช่นนั้นนิมนเข้าห้องสุขาก่อนนะครับจะได้ไม่ไปปวดกลางทางนายพ่องพูดอย่างคนรอบครอบและหันไปสั่งลูกชายว่า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 หรือถ้าจะให้เรือจอดข้างทางเพื่อขอเข้าห้องสุขาจากบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ํำก็เกรงใจคนทั้งลําเรือจึงได้แต่ปรับทุก์กับพระอุดมวิชญาณว่าผมแย่แล้วครับเจ้าคุณฉันปรากรุ้งมากไปหน่อยเลยปวดท้องหนักสงสัยท้องจะเสียจะทํายังไงดีละ่ะหรือจะให้เรือแวะบ้านริมน้ํา เกรงใจผู้โดยสารคนอื่นเขาหนาสิครับอีกอย่างหนึง่งผมคงอายแย่หากต้องทำอย่างนั้นงั้นก็กำหนดนะกำหนดว่าอดทนหนออดทนหนอนั่งกำหนดไปเรื่อยๆเจ้าคุณโชดกแนะนำเจ้าคุณเกษมทําตามหากก็ไม่ได้ผลเพราะท่านไม่ค่อยได้ปฏิบัติและขาดการฝึกฝนพระอุดมวิชาญาณ รู้สึกสงสารเพื่อนที่เห็นเขากลั้นจนหน้าเขียวหน้าเหลืองขณะเดียวกันนึกถึงอนิสงของโภช์เนมัตตัญญุตาที่พระพุทธองค์สอนความรู้จักประมาณในการบริโภคทําให้บุคคลได้รับประโยชนจากการกินการดื่มเพราะการกินการดื่มมากหรือน้อยเกินไปย่อมทําให้เกิดโทษแก่ร่างกายดังที่เพื่อนภิกษุ ข, ของท่าน กำลังประสบอยู่นี้เจ้าคุณเกเมนั่งบิดไปบิดมาอยู่ในเรือภาวนาขอให้ถึงท่าพระจันทร์โดยเร็วท่านคิดว่าเมื่อเรือเทียบท่าก็จะรีบขึ้นจากเรือไปขอเข้าห้องสุขาจากบ้านตึกกริมน้ำจะให้เดินถึงวัดคงไม่ไหวแน่อย่างไรก็ขอภาวนาให้ถึงท่าพระจันทร์โดยเร็วเถอะ อย่าให้ท่านต้องอับอายขายหน้าผู้คนโดยสารในเรือเลยเมื่อเรือจอดเทียบท่าพระจันทร์ผู้โดยสารที่เป็นขรือหัดแย่งกันขึ้นก่อนผู้โดยสารที่เป็นพระภิกษุจึงต้องรอเพราะเกรงจะไปชนกับผู้โดยสารที่เป็นสตรีเจ้าคุณเกษมสุดจะกลั่นอีกต่อไปเมื่อผู้โดยสารที่เป็นข้ารือหัดขึ้นหมดแล้วท่านจึงก้าวขึ้นไปเป็นรูปแรก แล้วก็พลัดตกลงไปในน้ำภิกษุอีกแปดรูปต่างตกใจคิดว่าท่านก้าวพลาดครั้นท่านว่ายน้ำเข้ามาจึงพากันฉุดขึ้น่ามกลางสายตาผู้โดยสารชุดใหม่ที่กำลังลงเรือเจ้าคุณขาเสมตัวเปียกปอนผาตรายจีวรมีน้ำหยดลงมาเป็นสา ย, สายขณะเดินกลับวัดเจ้าคุณโชดกพอจะรู้เท่าทันเพื่อนภิกษุ ก่อนแยกกันกลับคณะของตนกระซิบถามว่าเจ้าคุณผมถามจริงๆเธอว่าเมื่อตะกี้เป็นอุบัติเหตุหรือว่าจงใจเจ้าคุณเกษมแอ บ, บกระซิบตอบว่าเจ้าคุณถามจริงๆผมก็ตอบจริงๆว่ามันทนไม่ไหวแล้วถ้าไม่ทําอย่างนั้นผมก็อายยมเขาแยกพอลงน้ําเสร็จแล้วก็สบายใจทั้งถ่ายทั้งล้างเสร็จสับ